อาจารย์ครับการนมันส ก, การครับผมเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอครับอาจารย์ครับวันนี้ระอาจารย์ไปบินธรรมาตรคนเยอะไหมครับผมวันนี้ก็สี่ร้อยกว่าสี่สรอยสิบสองครับผมไม่ไ้ไม่ตรงกับวันพระไม่ตรงวันพระถ้าเป็นวันพระก็จะมากวันพระจะตกเป็นวันพุุนี้แทนอ๋อครับก็แบ่งเป็นสองสองส่วนไป คุณนี่คงสามร้อยกว่าสามร้อยสี่ร้อยพอๆกันนี้ครับอาจารย์ครับสือว่าเป็นสายบินธบา ท, ที่คนใส่เยอะมากเลยนะครับอาจารย์อา <laughs> จะจะมีสายอื่นมากแต่เขาไม่ได้นับกันก็ได้ครับ <laughs> เราเรามันขยันนับมาตั้งแต่เริ่มต้นบินธบาทแล้วก็นับมาทุกวันทุกวันอะไรเส็จเป็นได้ไซส์มากอาจารย์นับตั้งแต่อยู่บ้านตาดเลยไหมครับผมไม่นับแต่ม่อยู่ที่วัด ญ, ญาเนี่ยเริ่มนับมา เพรงตาแล้นก็นับวันที่มีคนมาใส่บาทเยอะๆมันทําบุญที่มรียนประมาบรอบสาราในลงตาแล้นก็จะนับว่ากี่ค น, คนอีกคนอ๋ออะไรติดสายกท่านมาขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าแล้วนะครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตพระอาจารย์ตั้งชื่อกแบบับมีฝรั่งคนมาที่ <laughs> แต่เป็นคำพูดที่พระอาจารย์พูดเสมอนะครับผมนี่จพระอาจารย์พูดว่าอเรื่องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแล้วก็ what ever will be will be ครับอาจารย์ก็อยากขอตาจากพระอาจารย์ทําให้พวกเราคลายความทุกข์ด้วยคํานี้ครับอาจารย์ครับกับคุณความเมตตาครับเมื่อเราอยู่ในนอกของอนัตตาพระเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตามันไม่เป็นไม่ไม่มีตัวตนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นเรามีเมฆเพราอะไรก็เพราะว่ามีมีความร้อนมีทะเลใช่ไหมพอทอมร้อนไปเผาน้ําในทะเลน้ำมันก็มันก็ละเหยขึ้นมาเป็นเป็นเมฆเมื่อมันเมฆป็นจับกลุ่มกันก้อนหนักข้ามมันก็มาตกมันก็ว่าตกในทะเลบ้างตกบนพื้นดินบ้าง บางพื้นดินมันก็ทําให้มีพืชมีอะไรเจริเติบโ ต, ต, ตขึ้นหน่อยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นอถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้นก็จะไม่เกิดและดับไปมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมบังคับได้ทุกอย่างบางเรื่องบางอย่างเราก็พอควบคุมบังคับได้เช่นเกี่ยวกับร่างกายของเรานี่บางสิ่งบางอย่างเราก็ยังบังคับมันสั่งมันได้ เห็นตอนนี้สั่งให้มันเดินให้มันทําอะไรตามที่เราต้องการมันยังทําได้แต่วันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะเกิดระบบของมันก็อาจจะเกิดความบกพร่องขึ้นมาประสาทหมอเป็นหมอประสาทเนี่ยก็รู้อยู่แล้ววันดีคืนดีก็เป็นเอามาพึ่งเอามาพาดขึ้นมาแล้วไปสั่งมันให้มันขยับมันก็ไม่ขยับแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นไปตามคําสั่งของเราเสมอไปพอเราสั่งมันไม่ได้เราก็จะทุกข์กันเครียดกัน แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอนัตตาเป็นเรื่องของเพราว่าะทางธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมันก็มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างร่างกายของเราอาจจะเป็นพิกนพิการเอามาเพิ่มความพารหรือบางทีก็เทีงกับตายไปก็ได้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปบังคับได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเป็นไปเป็นเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับกับความเป็นจริงของมันมันจะเป็นเรามาเพิ่มคามาพาก็ยอมรับเอามาพาก็เป็นก็เป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่าวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปอยู่ดีถ้าเรามีมีธรรมะมองเห็นทุกอย่างว่าเป็น ปรากฏการณ์าธรรมชาติแล้วจิตเรายอมรับกับความเป็นจริงของมันได้จิตเราก็จะไม่ทุกข์ที่จิตเราทุกข่เพราเราเป็นหนูไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับอยู่ภายใต้การสั่งการของเราได้เพราะเราเคยสั่งการมันมาตลอดร่างกายสทำให้มันวิ่งทงให้มันเดินทำให้มันทําอะไรก็ทําได้วันดีคืนดีวันใดวันหนึ่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาไม่สามารถ สร้างมันได้ช่วงนั้นก็จะทุกกันอยากจะให้มันหายทุกข์าอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันอยู่ภายใต้กบุมมันครับของเราทุกข์เกิดจากความอยากแต่ยถ้าเรายอมรับความจริงว่าอยากไปก็ร้ายผลเพราะมันยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ถ้าเรายอมรับใจเราก็จะสงบแล้วก็หายทุกข์หายเครียดแล้วก็อยู่กับมันไป อย่างหลวงปู่ชอบท่านก็เห็นนั่นนังนั่งรถเข็นท่านก็ยิ้มหัวยิ้มหัวเราหัวเราดันไปจิตใจของทาไม่ได้มีความเกรียดกับเรื่องของร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ยอมรับมันไปตามความเป็นจริงของมันก็อยู่ตามสภาพไปไม่ได้มีความอยากให้มันเป็นเหมือนที่เมื่อก่อนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นที่ตอนที่มีร่างกายแข็งแรงสามารถวิ่งเดินไเองได้ แต่พอมาแากชลาก็ต้องนั่งรถเข็นท่านก็ยอมรับแต่จิตใจท่านเบิกบานผ่องใสเพราะจิตใจท่านไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นยางไรก็ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของมันไปอะไรจะเกิดก็ยอมรับมันไปอะไรจะดับก็ยอมรับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียด ที่เราทุกขเคสเพราะเรามีความอยากให้สิ่งนั้นไม่ดับอยากให้สิ่งนี้เกิดพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็ทุกข์กันเั่นเองต้องเข้าใจหลักคำว่าอนัตตาอนัตตา ก, ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราควบคุมบังกับธรรมชาติไม่ได้บางทีเราก็ทําได้บางส่วนบางครั้งบางคราวแต่เราไม่สามารถที่จะไป จัดการกับธรรมชาติได้ทุกทุกทุกทุกทุกรูปแบบเลยบางทีฝนมันตกน้าท่วมเลยต้องการให้มันไม่ท่วมมันก็จัดการไม่ได้แม้แต่เหตุปัจจัยบางอย่างที่เราคิดว่าเราเรารู้ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยเช่นโลกร้อนที่เรารู้ว่าเหตุปัจจัยมันเกิดจากอการใช้ใช้น้ํามันการผลิตน้ํามันการใช้น้ํามันแล้วก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้มีเหมือนกับมี ปฏิทิยาทางก็แล้วห้องกระจกใช่ไหมทําให้ความร้อนไม่สามารถเลื่อนอกจากโลกไปได้มันก็เลยสะสมทําให้โรกที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งๆที่เรารู้ว่ามันสาเหตุมันเป็นยังไงแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปกำจัดสาเหตุได้เพราะสาเหตุมันเกี่ยวกับคนทั้งโลกแล้วคนทั้งโลกเขาก็ยังมีกิเลตมีความอยากจะอยู่สุขอย่างสบายเขาก็อยากจะใช้รถใช้อะไรของเราไปก็ อยากจะผลิตสินค้าอะไรต่างๆมันก็ใช้น้ํามันทั้งนี้บางทีปัจจัยเราเรารู้อยู่แต่ว่ามันก็เราก็ทําไม่ได้เราก็ต้องยอมแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันแม่ว่าจะเป็นมาจากมนุษย์มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เราไปแยกแยก ว, ว่ามนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมทําอะไรตามตามที่ใจอยากจะทํ า, าทได้ บางทีเราก็ไปควบคุมมนุษย์ทั้งโลกไว้นะสังว่าต่อไปนี้อให้เลิใช้รถน้ํามันนะคะัซื้อรถไฟฟ้าเดี๋นี้กําลังคิตเรื่องไฟฟ้าอยู่เนี่ยแต่กว่าจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าได้มนันต้อกใช้ปีะแล้วโรงงานต่างๆต้องเยอะแยะที่ผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ํามันนะเป็นส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์เขาคานวณแล้วก็เกรงว่า อาจจะไม่สามารถที่จะทำให้ปัญหาเรื่องโลกว่านี้ ม, นมันเบาลงแต่มันอาจจะทวีคูณขึ้นไปถึงจงหดทังเขตที่สร้างความหายนาต่างๆให้กับคนที่อยู่บนโลกนี้ต่อไปก็ได้เัราะ้นอานอาคตถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำใจกัน ถ้ายามทำใจว่าอย่างมากก็ตายคนเราทุคนใครมาเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายหรอกตายหรืออาจจะต้องลำบากอยู่กันยากลำบากหน่อยก็ยังดีกว่าตายเนีหรือต้องโยกย้ายบ้านเดินกรุงรเทพอาจจะอยู่ไม่ได้น้ำท่วมระดับน้ำสูงขึ้นต่อไปก็ต้องย้ายขึ้นไปตามทางเหนือกันหนีน้ำออไปแล้วก็ต้องปรับไปตามาความเป็นจริงกัน เดี๋ยวจะปรับช้าปรับเร็วถ้าปรับเร็วก็ทุกน้อยถ้าปรับช้าก็ทุกนานหน่อยถ้าปรับได้ทันทีก็ไม่ทุกเลยยอมรับกับการสภาพต่างๆที่ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ทําใจยอมรับกับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอาจารย์ครับความรู้นี้มันก็เป็นยูเนเวอร์แซลนะครับฝรั่งเขาก็เขาก็แต่งเพลงออกมาได้แสดงว่า เขาก็รู้สึกอย่างนี้เป็นบางครั้งกันใช่ไหมครับใช่บางครั้งบางคนเนี่ยคนบางคนนี่เขาก็อาจจะมีปัญญาที่เขาเห็นสภาพความเป็นจริงเป็นแต่ว่าเขายังไม่รู้จักวิธีแก้ความทุกข์ใจของเขาหรือว่าอย่างรับข่าวก็อาจจะรู้แต่ว่าถึงเวลาจริงๆเขาก็อาจจะทําใจไม่ได้ก็ได้เป็นแต่พูดปลอบใจว่าอะไรจะเกิดก็เกิดห้ามมันไม่ได้ แต่จะทุกข์กับมันหรือไม่ในการนี้นนยังยังเป็นประเด็นอยู่ บ, บางทีเราก็รู้ว่าเราต้องตายกันทุกคนใช่ไหมแต่มันก็ยังมีประเด็นที่ว่าแล้วเราทุกข์กับความตายหรือไม่อันนี้ส่วนใหญ่เราก็ยังทุกข์กับความตายอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าจะทํางไงที่ทําให้เราไม่ทุกข์กับความตายแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนจะตัดสัตวก็ทุกข์กับความตายทุกข์กับความแก่ความเจ็บ ควาตายให้คนแก่ให้คนเจ็บคนตายก็กับความทุกข์ใจขึ้นมาก็อยากจะไปหาวิธีแก้ความทุกข์ใจนี่โดยที่จะแก้สองคนเพราสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจว่าไม่นเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงของร่างกายอนิจจาร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจเราคือกิเลสมันครอบงำใจเรามันอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนาน อยู่แบบไม่แก่อยู่แบบไม่เจ็บอยู่แบบไม่ตายมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาทังนั้นเองแต่ถ้ามองตามความจริงแล้วห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมรับมันทำใจอยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์อย่าไปมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เรเป็นสิ่งที่ที่ แตกต่างกับคนอื่นกับคนที่เขาบอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดนะใช่ก็รู้ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดควบคุมมันเขาไม่ได้แต่เขายังไม่สามารถทำใจของเขาไม่ให้ทุกข์กับมันไดนะ้ถ้าทำได้ก็แสดงว่าเขาก็เขา่็ฉลาดนะเขาก็มีปัญญาแต่เขาจะรู้ะรละเอียดเราแบบพระพุทธเจ้าที่มีมีสูตรมาแสดงให้เราเห็นนะสูตรแบบนักคณยาศาสตร์ e ทั้กับ m c s q u a เงี้ย น, นพระอเจ้า ก, ก็มีสูตรอริยสัจสี่นี่เป็นสูตรความทุกข์ใจก็จากความอยากการระดับความทุกข์ใจก็ต้องการจะให้ความทุกข์ใจหยุดไปก็ต้องมีมีเครื่องมือมีสติมีสมาธิมีปัญญามีเห็นเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาแล้วก็มีกําลังที่จะ สู้กับความอยากอยุดความอยาก mm hmm. ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขามันถึงจะสามารถที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้ก่อมันคนคิดได้คิดว่ามันไม่เที่ยงมันต้องแตลต้องเจ็บต้องตาแต่พอเราเจอมันจริงๆมันก็ยังห้ามกับมทุกไม่ได้ถ้าไม่มีอุเบกขาถ้าไม่เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้ ไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าน่ากายเป็นอนัตตาแล้วควบคุ ม, มคบังคับห้ามไม่ได้ตอนนี้ได้ฟังก็เบาไปหน่อยแล้วครับาอาจารย์ <c oughs> ต้องพยายามฝึกสมาธิได้มากๆาใจก็จะนิ่งเฉยได้ครับกลาวขอบคุณพระอาจารย์ครับผมวันนี้มีเพื่อนๆถามถามน่าสนใจเยอะเลยครับแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยครับ ชกกคุณแว่นบอกว่าขอคําแนะนําการปฏิบัติให้รู้ถูกต้องแจ่มแจ้งจนนําไปสู่การดับลงของอวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยครับก็อย่างที่เราปฏิบัติกันเนี่ยตอนนอี้เราไม่เห็นอวิชชาเราไม่เราไม่เห็นใจรักเนี่ยหรือว่าไม่ยอมรับใจรักเราไม่ยอมยอมรับความเป็นจริงของทุกสิ่งทุก อ, อย่างว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีมีเกิมีเจริญ แ, แล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปห้ามไม่ให้มันไม่เสื่อมได้มันเป็นอนัตตาเราไม่อย่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครถ้าเราไปอยากให้มันไม่เสื่อมเราก็จะทุกข์ถ้าเรายังไม่อยากจะทุกข์เราก็ยอมรับไปอยากไปฝืนครับจริงมันจะเสื่อมก็ต้องปล่อยมันเสื่อมไปร่างกายมันจะแก่ก็ต้องแก่ไปจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปถ้าดูแลรักษาได้ก็ดูแลไป ในที่สุดความเป็นจริงเขาเห็นอยู่ชัดๆอยู่แล้วไม่มีใครรักษาโรคอะไรต่างๆไปได้เราอยู่ไปเป็นร้อยปีพันปีมันก็ต้องตายไปในที่สุดก็ยอมรับความจริงคนในที่สดมันก็ต้องตายไปอวิชาก็จะหายไปปัญญาก็จะเกิดขึ้นเห็นว่าตายแล้เห็นนั้นนิจังเห็นนั้นอนัตตาถ้าเห็นว่าไปนิจังอนัตตาแล้วหยุดความอยากได้ไม่ไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอนตา จ, จะไม่กคำถามจากคุณธีรติครับบอกว่าเราจะพูดให้กําลังใจคนป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างไรคนป่วยคนนี้เข้าใจธรรมะพอสมควรควรใช้คําพูดอย่างไรพูดว่าเตรียมตัวตายดีๆนะหรือขอให้ตายสงบๆนะอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าจะพูดให้เขาฟังก็าบอกร่างกายไม่ให้เราพระเจ้าเบอกอัตตาลูปังวะนัตตา ร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นใจนราเป็นผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้ต้องรอให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้เราเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราผู้รู้ผู้คิดก็ Tages, ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ที่เราทุกคนเราไม่อยากให้ร่างกายมันตายไปเท่านั้นเองแต่เราก็ห้ามความตายไม่ได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องยอมให้มันตายไปเราก็ไม่ทุกข์เวลาใครก็เป็นโรคอะไรมาเราก็บอก matter, ร่างกายไม่ใช่เรานะมันก็เป็นแค่ดินน้ำลงไปเป็นตุกตาตัวหนึ่งที่เราได้มันจากพ่อแม่แล้วเราก็เอาใช้ร่างกายนี้มาใช้ทาตามตันหาความอยากของเรา อยากจะกินจะดื่มจะดูจะฟังเราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ใช้มันไปจนวันหนึ่งมันไม่สามารถนับใช้เราได้เราก็ทุกข์เพราะทุกข์เพราะว่าเรารู้ว่าตอเราจะไม่ได้เสีรูปเสียงกินมันเหมือนที่เราเคยเสีงเราเลยอยากจะให้มันไม่ตายแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางร่างกายไม่ไปใช้ไม่ไปอาศัยร่างกายไม่ไปใช้ร่างกาย ใช้ตาหูจมูกนิ้วกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนำมหาความสุขจากการฝึกสมาธิแทนต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ปล่อยได้ปล่อยมันตายได้ว่าเราไม่ต้องเพึ่ง ม, มันที่ตอนนี้เราทุกข์เพราะเราต้องอย่างเพึ่งต้องพึ่งพาอาศัยเหมือนคนที่ต้องมีคนรับใช้นะพอคนใช้จะลาออกนี่ก็เหนื่อยร้อนต่อไปต้องซัดผ้าเองต้องกวาบ้านถูบ้านทำกับข้าวเองมันก็ทุกข์กันขึ้นมาใช่ไหม แต่ถ้ารับสุกทํางานเหล่านี้ได้ตัวตัวเราเองเราไม่ต้องพึ่งคนรับใช้คนรับใช้จะลาออกเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ซักผ้าเองได้กวาดบ้านถูบ้านได้ทํากับข้าวได้ล้างถ้วยล้างชามได้เราก็ไม่ทุกข์เราก็อยู่ได้เราต้องมาเปลี่ยนวิธีอย่าไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องมาหาความสุขจากการใช้สติใช้ปัญญาแทนทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็มีความสุข ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเอาความสุขต่อไปถ้าถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกเวลาร่างกายจะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรายังมีความสุขได้เรายังมีความสุขอย่างหลวงปู่ชอบท่านก็ไปนั่มาเพื่มกรรมภาพทั้งนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่ ใ, ใจท่านก็มีความสุขมีความเบิกบานเพราะท่านมีความสุขจากสติจากปัญญา มีคำถามจากคุณธัญญาครับบอกว่าไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ฝึกอยู่กับปัจจุบันในกิจการงานที่ทําจะช่วยได้ไหมครับมันก็เป็นขั้นตอนที่ต้องมีแตมันยังไปไม่ถึงจุดจุดที่เราต้องการไปก็คือต้องมาทับจิตให้นิ่งสงบให้วางเฉยนะให้มีอุเบกขาขึ้นมาสักแต่ว่ารู้เห็นอย่างไรก็ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราเห็นถ้ายังไปไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังจะแก้ปัญหาเรื่องของความชุกไว้ได้ เพราะถ้าเรายังเห็นเรายังมีความรักความชังอยู่นี่มันก็จะทําให้เราเกิดตัานทาความอยากขึ้นมาสิ่งที่รักแล้วเราก็อยากจะอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆพอมันไม่อยู่เราก็ทุกข์สิ่งที่เราไม่ชอบพอเจอมันเราก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมันไม่หายเราก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราไม่มีรักไม่มีชังเราเฉยๆมันจะมาจะไปจะอยู่นานไม่นานเราก็ไม่เดือดร้อน เราต้องทำใจให้มีบรสจากความรักชังกลัวหลงก็คือต้องมีอุเบกขาต้องเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วฝึกให้มันอยู่ในอัปปนาสมาธินานๆเพื่อสร้างกำลังของอุเบกขาให้มีมากแ ล, แล้วเวลาออกมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆจิตก็จะวางเฉยได้คุณเก่งครับสุขภาพไม่ดีทรมานมากควรเจริญธรรมอย่างไรครับ ก็ต้องยอมรับความจริไงไงว่าร่างกายนี้เป็นของที่มันไม่เที่ยงมันก็บางทีมันก็แข็งแรงบางทีมันก็ไม่แข็งแรงแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ควรที่จะทําใจทําใจให้เป็นอุเบกขาเฉยๆอยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันดีพอมันไม่ดีเราก็เลยทรมานความทรมานที่เกิดจากความอยากของเราอยากให้มีสุขภาพดี พอสุขภาพไม่ดีใจเราก็เลยทรมานแต่แ้วถ้าถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายมันเป็นอะไนึ่จังสุขภาพมันเป็นอนึ่จังบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราก็ถ้าไม่อยากจะทรมานเราก็อย่าไปอยากให้มันดีเวลามันไม่ดีดังนั้นเองอยู่กับมันไปใจเราก็จะไม่ทรมาน คุณแท็กบอกว่าเจอปัญหาสุขภาพคนในครอบครัวรุมเร้ามากทําใจอย่างไรครับไม่ทราบสุขภาพกับคนมันเกี่ยวกันยังไง อ, อ๋อหมายถึงคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยออย่างนี้ครับอาจารย์ครับก็อยาเราไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงที่ว่าเจ้าสอนให้เราพิจารณาว่าร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ในป่วยเป็นธรรมดาเรื่องลความเจ็บไข้ในป่วยไปไม่ได้ ทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากหรือน้อยเท่านั้นเองเมื่อเกิดเราก็ต้องถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทูกข์คุณฟิลิเพนครับการที่เราเจ็บป่วยมันคือเวรกรรมหรือเปล่าครับมันก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเจ็บป่วยไม่ว่าจะมี ม, มีมีเวรมีกรรมมากหรือน้อ ย, อยมันก็เจ็บป่วยได้กัน แต่สำหรับคนบานอาจจะมีโรคมากเจ็บป่วยมากนี่ทางกฎแห่งกรรมที่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของบาปกรรมที่เราทำมามันมีมากมันก็เลยทำให้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ไม่ไมไมรู้ว่าจะมีกี่น้ำหนักมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ คุณลัดดาครับบอกปัญหาที่แก้ไม่ได้ในวันนี้เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อย่างไรครับอ่มันก็เวลาผ่านไปหมดฝนตกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนมันก็หยุดน้ำํำท่วมวันนี้เดี๋ยวเอาฝนไม่ตกมันน้ำมนก็หายท่วมมันก็ผ่านไปปัญหาบางทีมันก็แก้ของมันเองได้คุณแสงครับ เวลาเราสวดมนต์จะหาวตลอดนี่คืออะไรบ่งถึงอะไรไหมครับก็บ่งถึงว่ามันเป็นกิเลสของเราไงว่ามันไม่ชอบมันไม่ชอบมันมันไม่ชอบของที่มันไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเล่าใจเว่าถ้าได้ดูภาพประยนตร์ดูอะไรนี่แล้วมันไม่ง่วงรัวใจมันมันไม่มีอะไรมากระตุ้นอารมณ์แต่พอมาสวดมนต์ที่มันเป็นสิ่งที่จะมาคอยทําใจให้นราให้เรา ไม่มีอารมณ์มันก็เลยทำให้เราหาวขึ้นมาคุณอนัญญาครับเท็จจริงเป็นอย่างไรครับที่ว่าถ้าเราพิจารณาดูจิตทุกขนาดจิตแล้วจิตจะหลุดเข้าไปในฌานได้เองครับมันยากอนะมันขนาดให้ดูดูร่างกายอย่างเดียวังดูไม่ได้จิตมันได้กับร่างกายต้องหลายเท่าด้วยกันเพราะฉะนั้น คนที่ยังดูจิตหน้านน้นต้องผ่านร่างกายผ่านเวทนาไปแล้วมีสติที่อยู่อยู่กับจิตตลอดเวลาอยู่แล้วคนที่มีสติจิตไม่ได้อยู่กับจิตจิตไปอยู่กับรูปเสียงจินรสโผฏฐัพน์นี้จะไปดูจิตยังไงมันดูไม่ได้คุณศิริเพนครับบอกว่าเจ้ากรรมนายเวียมีจริงไหมครับถ้าคนที่เป็นคู่ผู้ผู้อาวิทย์กับเราก็เรียกเป็นเจ้ากรรมนายเว คนที่เขเกียดชังเราค่อยสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวให้กับเราแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรจากคุณเนทครับนั่งสมาธิแต่จิบเหมือนลิงคิดไปเรื่อย ท, ทั้งที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับพราะเราขาดสติเราไม่ฝึกสติมาก่อนถ้าเราไม่มีสตินั่งไปจนมาตายก็ไม่มีวันสงบได้สิ่งแรกที่เราต้องทําก่อนที่เรามานั่งสมาธิต้องพยายามฝึกสติให้ ม, กมากๆ คอยควบคุมความคิดคอยหยดความคิดตั้งแต่เริมตาขึ้นมาเลยพอตื่นข้นงานก็เริ่มควบคุมความคิดด้วยคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือมันก็ให้มันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเวลาบดอยาให้มันไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราฝึกอย่างนี้มาก่อนเวลามานั่งสมาธิใจมันก็จะคิดน้อยแล้วจะนิ่งได้ง่ายได้เร็วคุณออนจิลาครับ ทำอย่างไงกับคนที่ก่อปัญหาซ้ำซากวันละหลายครั้งทุกวันจัดการให้ผ่านรายชั่วโมงไม่ทันครับก็ถ้าเขาเราจัดการไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางท่านจัดการได้ก็จัดการไปมีคําถามจากคุณเจมส์บอกว่าคนที่เกิดก่อนศาสนาเขาตายแล้วจะไปไหนครับก็เหมือนเดิมอ่ะเขาก็ไปเวียนว่ายตายเกิดตามอำนาจของบุญของบาปที่เขาทําย จะมีาศาสนาไม่มีาศาสนาบางทีมันก็ไม่มีผลกับเขาแต่อย่างใดแม้แต่คนสมัยนี้ที่มาเกิดในยุคที่มีาศาสนาแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่นับถึงาศาสนามันก็เหมือนกับไม่มีาศาสนาในใจเขาอยู่ดีเขาก็ทํำเขาก็ไปตามบุญตามบาปที่เขาทาซึ่งส่วนใหญ่คนที่ไม่มีาศาสนามักจะทําบาปมากกว่ามากกว่าทำบุญเพราะคนที่ไม่มีาศาสนามักจะคิดว่าตายแล้วศูนหรือว่าร่าง ก, กายนี้ตายแล้วก็จบ ผลบุญผลบาปที่ทํามาให้ไม่มีใครไปรับเพราะคิดว่ามีร่างกายนี้เป็นผู้กระทาและเป็นผู้รับผลบุญผลบาปความจริงผู้กระทาบุญบาปจริงที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายใจผู้สั่งการนี่แหละเป็นผู้กระทาโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองและเวลาร่างกายตายไปใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอันนี้เขายังไม่เห็นเขาจะไม่ไม่รู้หรือจะไม่เชื่อเขาก็มักจะทําทําตามความอยาก ถ้าเขาอยากได้อะไรถ้าเขาต้องทําบาปเขาก็ทำเขาไม่กลัวบาปเนี่ยพราะว่าตายไป ก, ก็จบอย่างมากถ้ามีโทษก็ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทําถ้าทําผิดกฎหมายก็อาจจะถูกติดชุกติดตารางจับไปลงโทษแต่ถ้ามีเงินมากก็สามารถที่จะห้ามไม่ให้ลงโทษได้เ้าก็มีวิธีการคนพวกนี้เขาไม่มีศาสนาเขาก็จะคิดนับถือเงินทองเป็นพระเจ้าเป็นศาสนาแทน Okay. เพราะเขาเห็นว่าเมืองทองนี้สามารถแก้ปัญหาต่างๆเขาได้คุณพัชรินครับอยากทราบวิธีปล่อยวางแบบเฉียบพลันครับไม่มีหรอกเฉียบพลันนะถ้าเฉียบพลันก็ปล่อยอย่างนี้เลยใครเขาด่าปั๊บก็ยิ้มให้เขาได้ปล่อยวางแบบเฉียบพลันลองไปฝึกดูสิเวลาใครด่าล้วเรายิ้มให้เขาเลยสาธุครับ อยากทราบว่าทําไมเวลานั่งสมาธิแล้วตัวยกโยกครับว่ามันไม่มีสติเนี่ยพอนั่งเราใจเริ่มเผลอมันก็บางทีก็ไปไปทําให้นั่งกายมันโยกไปโยกมาสังเกตในเวลาที่เรามีสตินั่งคุยกันตัวเราไม่ค่อยโยกใช่ไหมแต่พอเวลาเรานั่งสมาธิแล้วพอเราเริ่มรู้สึกคลิ้ขึ้นมาสติก็หมดไปก็เหมือนคนกําลังจะจะหลับนั่นเองนั่งการก็โยกไปโยกม ไลโคปีนครับบอกพระอาจารย์คิดว่าคนหนึ่งล้านคนจะทําฌานสี่ได้กี่คนครับไม่ได้เก็บสถิติแต่น้อยมากถ้าเปรียบเทียบว่าคนคนที่มีความสามารถมีปัญญามีสติมีสมาธินี่เหมือนเหมือนพวกมันเหมือนเขาวัวแล้ววัวตัวหนึ่งมีเขาเท่า่ะก็มีแค่สองเขาแต่คนที่ทําไม่ได้นี่ก็เหมือนคนวัว คนที่เข้าฌานไม่ได้ก็เหมือนขนมัวคนที่เขาฌานได้ก็เหมือนเขาวัวครัวจากคุณฟลาเวอร์ครับบอกว่าไม่ค่อยได้สวดมนต์แต่เปิดบทสวดมนต์ฟังตอนตื่นนอนได้ไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่สวดแล้วไม่สวดมันอยู่ที่ว่าเรามีสติอยู่กับการสวดวหรือไม่ถ้าไม่มีการสวดไม่มีสติถึงแม้จะเปิดฟังสวดไปแล้วใจลอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร การสวดมนต์ก็ดีการฟังการสวดมนต์ก็ดีเพื่อเป็นการเจริญสติก็คือให้ใจเราจดจ่ออยู่กับบทที่เราสวดหรือบทบทสวดมนต์ที่เราได้ยินได้ฟังไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทำอย่างนี้ถึงก็จะได้ผลไม่ว่าจะสวดเองก็ดีหรือฟังบทสวดให้บทให้ผู้อื่สนสวดให้เราฟังก็ได้คุณวิครับทําอย่างไรเมื่อเราเบื่อหน่ายสามีที่เล่าครับ ก็เลิกกันสิเมือ่อเบื่แล้วจะมีอยู่ทําไมกับเขาล่ะคุณสมบูรณ์ครับเวลานั่งสมาธิพอจิตเริ่มนิ่งตัวจะเอนไปข้างหน้าหลังบ้างเอนไปซ้ายขวาสะดุ้งตกใจต้องเริ่มพูดโทรใหม่รู้สึกลำคาญของคำแนะนำครับ <idor as> มันต้องพูดโทโดยไม่หยุดนะไม่ใช่มาเริ่มใหม่พูดโทใไม่กลจะหายถ้าเรานั่งมีพูดโธตลอดแล้วร่างกายจะไม่มีการเองไปข้างหน้าข้างหลัง สดงว่าสติเราไม่มีแล้วเหมือนคนยาหลับเลยคุณปิดกำมลครับถ้าเราวางได้แต่ยอมแต่ไม่ยอมปล่อยเราจะทําเช่นไรดีครับก็แสดงว่าไม่ได้ปลอ่อยไม่ได้วางนั่นเองการวางการปล่อยมันก็อันเดียวกันนะั่นแหละปล่อยวางมันเป็นคําพูดคําเดียวกันคือนะให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขา ใครจะมาก็ปล่อยเข้ามาใครจะไปก็ปล่อยเข้าไปนี่เรียกว่าปล่อยวางถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้มีอุเบกขาขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาแล้วเราก็จะปล่อยวางได้คุณเบรนย่าครับนักถือและเชื่อในพระัตษณะไตรมาตลอดแต่เปิดใจฟังเรื่องมนุษย์ต่างดาวเขาบอกพวกนี้อยู่เหนือระบบกรรมจริงไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องนิยายไม่อยากจะไปคุยด้วยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีพื้นฐานของความเป็นจริงพูดไปก็เดี๋ยวก็จะเสียเวล า, าเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีดวงวิญญาณมันอยู่ภายใต้กฎของกับเทั้งนั้นะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นถ้ามีดวงจิตดวงใจไม่ว่าจะมาจากโลกไหนดาวไหนก็ตา่างถ้ามีจิต ม, มีผู้รู้ผู้คิดมีธาตุนู้อยู่ธาตุนู้นะี่แหละเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ทำดีก็จะได้ความสุขถ้าทำชั่วก็จะได้ความทุกข์คุณจิตมนัตครับฌานกับญาณต่างกันอย่างไรครับฌานก็คือความสงบญาณก็คือความรู้เวลาทำนั่งสมาธิจิตเข้าฌานก็เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบเวลาทำปฏิบัติพิจารณาปัญญาแล้วเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าญาณ เป็ญาณเห็นเห็นสัจธรรมเห็นอ น, นิจจสัตว์สี<ม>เห็นตายรักขึ้นมา น, นี่ก็เรียกว่าญาณคุณสุนีครับอาจารย์ครับถ้าเราตายในขณะใจอยู่กับกายกายตายแล้วใจจะไปไหนครับใจก็ไปตามพุนตามบาป ท, ที่เราทำไป น, นะนั่นนะแล้วแต่อันไหนจะมากมากันถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบาปก็จะหนึ่งไปให้ไปอยู่ในอบาย ถ้าบุญมากกว่าก็จะหนึให้ไปสวรรค์หรือถ้าบุญมากขั้นสูงสุดถ้าเป็นนิพพานก็ไปอยู่ที่นิพพานแทนอย่างพระพุทธเจ้าพระนั้ น, นเวลาตายไปจิตของท่านก็อยู่นิพพานอยู่ที่ไม่ต้องกลับอาเวีว่ายตายเกิดต่อไปคุณเขมจิราครับเกิดเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นพระหรือเป็นโจรเพราะบุญเพราะกรรมนาพามาเถิดใช่ไหมครับมันก็มีส่วนเพราะมันเป็นนิสัย บุญก็เป็นนิสัยดีบาปก็เป็นนิสัยไม่ดีคนที่ชอบทําบาปก็มักจะมาทําบาปต่อคนที่ชอบทําบุญก็จะไปทําบุญต่อสายอาชี่คนเราเกิดมาแล้วมีอาชีพต่างกันก็ว่าในอดีตเคยเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเคยชอบอย่างนี้มาก่อนเคยในอดีตเคยเป็นตํารวจชอบเป็นตํารวจมาเกิดใหม่ก็จะมาเป็นตํำรวจใหม่ในอดีตเคยเป็นพระมาก่อนชอบเป็นพระพอมาเกิดในภพนี้ก็จะไปเป็นพระต่อ คุณแพรบอกว่าหลังจากปฏิบัติธรรมมาสิบวันได้กลิ่นเหมือนเหม็นไหม้ตลอดเลยไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าครับก็ไม่สำคัญถ้าได้กิ่นทำผ่านอะไรก็ให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางพิจารณามันเป็นตายรักไปว่ามันไม่เที่ยมมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเราก็ห้ามมันบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็รับรู้ไปมันจะหมดก็รับรู้ไป คุณลัตดาบอกว่าสวดมนต์จะทําให้เรามีสติขึ้นใช่ไหมครับถ้าสวดด้วยการจดจอ่อคือใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะมีสติเพิ่มขึ้นถ้าสวดไปแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นไปด้วยกันก็มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่มีสติอยู่ดีการมีสติใจเราต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเช่นสวดมนต์ก็อยู่กับกบทสวดมนต์ไม่ไม่ฝผอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการสวด คุณน้อยครับเราจะใช้หลักธรรมข้อใดในการแก้ปัญหาหนี้สินครับก็ก็เรามีเเข้ามาเราก็ต้องใช้เข้าไปนี่นันเองจะทำไงด้ถ้าไม่มีควมหนี้สินก็ต้องยอมรับโทษก็มีโทษอะไรก็รับไปถ้าก็ให้ล้มละลายก็ล้มละลายไปแค่นั้นเองคุณสุธารัตน์ครับหมดบุญคู่หมาย ว่ายังไงครับก็หมายความว่าคงจะต้องไปอยู่คนเดียวบุนคู่หมดแล้วก็ต้องอยู่แต่บุญเดียวเอยู่คนเดียวอาจจะไม่ติดคุกหรือ ไ, ไปบวชก็ได้มันก็แลาวหมดบุญคู่คุณนัทครับนั่งนั่งสมาธิได้บุญแบบไหนครับได้บุญที่เกิดจากความสงบไงความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากความสงบ คือบุญทุกระดับก็มันก็เป็นความสงบทํบุามทานแล้วใจก็จะสงบในระดับหนึ่งรักษาศีลได้ใจก็จะสงบในอีกระดับหนึ่งทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะสงบอีกระดับหนึ่งมากขึ้นไปตามลําดับบุญนั้นคือความสงบนี่เป็นบุญคุณดีซีครับขณะนั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาก็พยายามพุดโธต่ออยู่กับลมหายใจแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าหลวงตามหาบัวท่าน ยังนั่งจนก้นแตกเลยแบบนี้ถือว่าเอาปัญญาสู้กิเลสไหมครับหรือว่าฟุ้งครับไม่อยู่ที่ว่าเราอยู่กับอยู่กับเวทนาได้ไหรือเปล่าถ้าอยู่กับมันได้จาราสงบก็ใช้ได้จากคุณอ้อมครับคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตให้ท่านฟังธรรมคิริมาโ น, นทสู ต, ตอนจิตสุดท้ายอานิสงฆ์ท่านได้รับอย่างไรครับเขาไม่ได้เลยหรอกตอนนั้นท่านองนี้ไม่มีสติ คุณวรฒ น, นาครับเรากําหนดชาติต่อไปได้ไหมว่าอยากเป็นอะไรต้องทําอย่างไรครับได้ถ้าอยากไปเป็นเทวดาก็ต้องทําบุญทําทานรักษาสี่ห้าถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องถือศีลแปดฝึกสมาธิถ้าอยากจะเป็นพระโสดาบานัพานพระอริยะก็ต้องละ ก, กิเลสละสังโยชน์ทั้งสิ้นได้ให้ได้เราก็จะไปเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ไปนิพพานได้ คุณวอลกระมณครับถ้าเราขับรถชนสุนัขตายทําอย่างไรครับก็ทำไงก็มันตายแล้วก็ตายไปถ้าเราจะเมตตามันเอาไปเผาเอาไปฝังก็ทําไปก็ทําได้หรือถ้าเราไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่สามารถทําได้เพราระรถรถมก็วิ่งผ่านไปอยู่บนท้องถน น, นไม่สามารถหยุดได้ก็ทําใจว่ามันเป็นกรรมของเขามาแล้วกันคุณเพียงพิทครับ จะทำยังไงถึงจะปล่อยวางจากความทุกข์เรื่องการสูญเสียจากผู้ใกล้ชิดจะหดหู่เสียใจทุกครั้งที่คนใกล้ชิดจากไปครับก็เวลาเกิดความหดหูก็ใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดมันก็จะทําให้อาการหดหูหายไปเช่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้จนกว่าอาการหดหูจะหายแล้วก็ค่อยหยุดสวดหยุดหยุดบริกรรมถ้าอยากจะให้มันไม่ต้องมาใช้การสวด เราเราก็ต้องใช้ปัญญายอมรับความจริงว่าการพัดพลาจากการไปเื่งธรรมดาทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่ชอบ ก, ก็เลวก็ต้องพัดพาจากบุคคลและสิ่งที่เรารักไปสอนใจให้ยอมรับความจริงถ้าใจยอมรับความจริงได้อาการหดนหูก็จะหายไปขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำวิธีละนิวรณ์5แบบง่ายๆด้วยครับ นิวรณ์ห้ามันก็มีห้าตัวการมาชันทะคือความอยากเสพรูปเสียงกินรดก็ต้องถือศีลแปดเนี่ยมันก็จะห้ามไม่ให้เราไปดูหนังฟังเพลงไปดูละครอะไรต่างๆได้หรือไปอยู่ที่ที่ไม่มีอะไรให้เราไม่มีรูปเสียงกินรดให้เราเสกเช่นพระทุดองท่านมักจะไปอยู่ที่ในป่าในเขากันอันนั้นก็เป็นวิธีห้ามแก้การมาชันทะเพราะไม่มีอะไรให้ดู ไม่มีไม่มีดนตรีให้ฟังไม่มีภาพยนตร์ให้อยู่ถ้าไปอยู่ในป่าอใ น, นกามวิทยานิวรตัวแรกการมาฉันทะความอยากจะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดข้อที่สองถ้าเรามีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ศึกษาให้มากขึ้นศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมมากขึ้นเราความสงสัยก็จะน้อยลงไปและหมดไปได้ ข้อที่สามถ้าเรามีความโกรธเราก็ต้องใช้ความการให้อภัยต้องใช้เมตตา ก, ก็คือให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกับผู้ที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปถ้าเราเกิดความง่วงนอนง่วงเราหง่วนอนเกียค้าอยากจะนอนไม่อยากจะภาวนาะเราก็ต้องผ่อนอาหารอย่างรับประทานอาหารมากเกินไปเพราะเวลารับประทานอาหารมากมันอิ่มัมนก็อยากจะนอนมันจะ วงนอนมันจะไม่อยากจะทําอะไรแต่ถ้าเราละประทานานพอไม่ให้มันหิวพอมันพอดับความหิวได้แต่ไม่ให้มันอีกมอย่างนี้มันก็จะไม่รู้สึกง่วงนอนได้หรือถ้าว่าการผ่อนอาหารเราทําไม่ได้ถ้าเราอยากจะไม่ไม่ง่วงตอนที่เราภาวนาก็ต้องไปภาวนาในที่น่ากลัวที่ไปนั่งสมาธิในป่าช้าไปนั่งสมาธิในป่าเปลวอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เกิดความกลัวขึ้นมา เาะแต่ความกลัวควา ม, มงวงนอนมันก็จะหายไปหมดแล้วข้อสุดท้ายถ้าจิตเราชอบคิดฟุ้งซ่านก็เราต้องฝึกสติให้มากว่ๆควบคุมอย่าปล่อยให้ใจคิดบริกรรมพุโทโธพุโทโธไว้บ่อยๆสกัดความคิดไว้ความฟุ้งซ่านก็จะไม่เกิดนี่คือนิวรธาประการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกันก็ได้แต่เหตุการณ์้แต่ภาวะ ถ้าเกิดเห้การณอะไนี้ก็ต้องหามาตรการมาแก้มัคุณเยวาวพาครับการถ่ายชีวิตสัตว์จําเป็นต้องเดินทางไปเองหรือไม่ครับถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าเขาถัดตามที่เราสั่งไม่แล้วก็ไปเองถ้าเราฝากเข้าไปแล้วบางทีก็โดนโดนเขาหลอกก็ เ, เอามันไปใช่อย่างนึงอันนั้นก็แล้วแต่ ถ้าเราเชื่อเชื่อบ้านว่าคนที่เขาไปทําแทนเราเนี่เขาชื่อสัสตว์สุดจริตเขาไม่โกหกหลอกลวงเราถ้าเราไม่ไม่ไปก็ได้แต่มันไม่เหมือนกับได้เห็นกับตาใช่ไห ไ, ได้เห็นกับตามันจิตบอกว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นครับยิ่งสมัยนี้การโกหกหลอกลว ง, ง, งมันมีแทบทุกทุกระดับชั้นของสังคมเนี่ยแม้แต่นายวได้ว่ารก็ถูกหลอกกันเยอะ ญาณโยมาถูกญาณโยด้วยกันหลอกปันก็มีเยอะนอย่าไปไว้ใจคนนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายคุณสันสุกครับฝึกสติยุบหนอพองหนอกับพุทโธต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างแต่จะเป็นแต่ใช้ใช้ใช้ใช้วิธีใช้พุทโธแทนใช้ การดูท้องครับเองดูท้องพบยุ่หนาะผ่องเนาก็อยู่ที่หน้าท้องหน้าอกถ้าใจพุทธจก็ใช้คําบริกรรมแต่ก็เป็นเป้าหมายในการฝึกการฝึกสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดคุณสิมีนาศครับขอคําขยายความก่อพบก่อชาติและลดพบลดชาติครับคือเิ่งที่ทําให้เรามีพบชาติก็คือ ค, อความอยาก เงี้ถ้าเราทําตามความอยากมากขึ้นไปเท่าไหร่พบชาติก็จะมียาวยาวออกไปมากขึ้นเท่านัน้นถ้าเราต้องการลดพบชาติให้น้อยลงเราก็ลดความอยากให้น้อยลงไปเหมือนขับรถอะถ้าเราต้องการให้รถวิ่งเร็วเราก็เหยียบคันเร่งให้มันให้มันลงไปมากเหยียบคันเร่งมากรถก็จะวิ่งเร็วถ้าผ่อนคันเร่งลงรถมันก็จะวิ่งช้าลงมันเป็นเหตุเป็นผลปัญหาความอยากเป็นเหตุที่ทําให้มีพบชาติเงี้ถ้าเราทําตาม ปัญหาความอยากมากเท่าไหร่พบชาติก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราทำปัญหาความอยากให้น้อยลงพบชาติก็จะลดน้อยลงไปคุณนกครับบอกว่าน้องป่วยเป็นโรคไตเป็นห่วงมากจนเครียดจะปล่อยวางได้อย่างไรดีครับก็เราไม่ยอมรับความจริง่ทุกคนเกิดมาน้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาคาถานี่มาท่อมามาส อ, อนใจมาเนใจจะให้ยอมรับให้ได้ ถ้าย่มรับได้แล้วก็จะไม่เคลียดไม่ทุกทั้งเขาทั้งเราไม่ใช่ตัดตัวเขาเราต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราและคนอื่นทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาใครเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเหยียดต้องตายด้วยกันทั้งนั้นอันนี้นะ่ะเป็นคาถา ท, าที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเหมั่นพิจารณากันอยู่แนืเดียวแต่เราไม่พิจารณากันเราทำํำเราไม่อยากจะพิจารณาเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดเราคิดว่าถ้าเราพิจารณาแล้วจะทำให้มันเกิด จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับการพิจารณาที่จะทําให้มันเกิดหรือไม่เกิดมันต้องเกิดหน้า mm hmm. จะพิจารณาหรือไม่มันก็ต้องเกิดแต่ถ้าได้พิจารณาแล้วมันจะทําให้เราทําให้ใจเราทำใจได้ถ้าเราคิดบ่อยๆเราก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกมันต้องมันต้องไปทางนี้ก็ต้องยอมรับถ้าเรายอมรับใจเราก็จะไม่เครียดใจเราก็ไม่ทุกข์คุณสิริครับ ทำยังไงให้กลับมาสวดมนต์ทำสมาธิเหมือนเดิมนิวรมากผัดวันประกันพุ่งเรื่อยมาเลยครับก็บังคับให้ไปอยู่วัดเลยวันไหนไปอยู่วัดแล้วก็ไปทํากิจกับที่ที่วัดเขาทำกันบางทีต้องอาศัยคนอื่นบังคับเราเรามังคับตัวเราเองไม่ได้ไปเข้าคอกันที่เข้าไปเข้าคอกันเพราะว่าอยู่บ้าปฏิบัติเองไม่ได้แต่พอไปอยู่วัดสิบวันเขามีเขามีมีตารางเวลาให้ปฏิบัติให้สวดมนต์ให้กระทาอะไรต่าง เราก็ต้องทําตามเขาถ้าเราจะอยู่กับเขาคุณน้องครับคนไม่ซื่อสัตย์กับคู่ชีวิตจะได้รับกรรมอย่างไรครับก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะ่เราไม่ซื่อสัตย์กับใครวันไหนทั้งนางก็จะมีคนไม่ซื่อสัตย์กับเรานะคุณแว่นครับทํำยังไงเราถึงทันกับความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างได้ครับก็ต้องมีฝึกสติไปไง ถาฝึกสติแล้วเวลากิดความคิดไม่ดีเราจะเห็นทันทีเราก็สามารถหยุดมัน ไ, ได้ทันทีถ้าเรามีสติคุณนุชบอกว่าเป็นห่วงลูกครับสวดมนต์บทไหนให้เขาเจริญได้ได้ครั บ, บก็สวดนเน่ทุกคนเกิดมาต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาลุงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้คุณบ๊อบครับเงินการพนันเช่นถูกหวย เอาเงินมาทําบุญได้บุญไหมครับได้ได้แต่ไม่ได้เป็นร่างบาปที่เราแต่การมันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นแบาบปมันเป็นอบายมุกเพราะว่าเมื่อเราเล่นมากๆเราอาจจะเสียก็ได้แล้วเมื่อเราไม่มีเงินใช้พอเราก็อาจจะไปทํำบาลด้วยการไปชอบโกองรักทรัพย์ของผู้อื่นมาเล่นต่อก็ได้คุณเนตครับสวดมนต์เราจําเป็นต้องรู้คําแปลไหมครับ ถ้าต้องการความสมงบทําการสติก็ไม่ต้องรู้คาแปลก็ได้แต่ถ้าต้องการความเข้าใจต้องการปัญญาก็ต้องต้องรู้คาแปลคุณแสงครับป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกแต่พอเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้สวดมนต์ภาวนาจะช่วยให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้เราได้จริงไหมครับไม่จริงครการสวดมนต์ภาว น, นานี้เพื่อทาใจให้เราสงบ เรื่องจ้ากรรมนายเวรถ้าก็ยังจองเวรจองกรรมอยู่แล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะต้องทําให้เราทําร้ายเราอย่างใดอย่างหนึ่งจนถ้าถึงจุเแล้วจองเวรจองกรรมของเราคุณพอเพียงครับคนที่มีศี่ห้าครบแต่ไม่ปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เป็นประจําจะได้อะไรครับคนที่มีศี่ห้าไม่ครบเนะครบครับอาจารย์ครบแล้ไวไหว้พระสวดมนต์ด้วย ไม่ว่าพระก็รักการรักษาศีลหน้าก็จะปิดประตูบายตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นสัตว์ในราชาไม่ต้องเป็นเปรตเป็นรศรีกายไปนรกแต่ก็จะไม่ได้ไปสูงสูงกว่าการเป็นมนุษย์แต่เรายังต้องการให้ไปสูงกว่าเป็นมนุษย์อยากจะไปนิพพานอยากจะยุติการเว้นว่ายตายเกิดเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกสติด้วยการว่ายพระสวดหมดแต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียว ทำ ง, งานไม่พระสรมวนนั่งสมาธิทำจิตให้สงบหลังจากจิตสงบแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญารักษาวความสงบนั้นต่อไปด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจไ ม, ม่สงบถ้าเราสามารถปฏิบัติขั้นนั้นได้เราก็จะไปถึงปนที่ผ่านได้คุณ SN ครับ การภาวนามีสติอยู่กับจิตและกายทุกลมหายใจแต่พอสงบมากจิตดับไปเหลือแต่ความสุขจนลืมเวลาอย่างนี้เรียกว่าติดสุขไหมครับไม่หรอกการนั่งสมาธิมันก็เพื่อนั่งให้มีความสุขเนี่ยความสุขแบบนี้ไม่มีพิษมีภยัยไม่เหมือนความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดเนื้อเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนแต่ความสุขที่ได้จากการสงบนี้มันเป็นของที่แน่นอนกว่า ถ้าเราเคยเข้าได้เราก็จะสามารถเข้าได้อยู่างเรื่อยๆคุณเพียวครับสำหรับเด็กเก้าขวบอยากให้เขาเริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เขายังไม่นิ่งพอแม่เลยให้เขาภาวานาพุโทโธได้ไหมครับก็ต้องทำดูสิสิ่นที่ดีก็ต้องให้ทําให้เขาทาพอๆกับเราไปถ้าให้เขาทำเองแล้วเราไม่ทำํำนี่ก็ยากเราต้องทําเป็นแม่แบบเราต้องทําเป็นตัวอย่าง เราอยากให้เขาพูดโธเราก็เริเรียกเขามานั่งพูดโธด้วยกันไปอนั่งหลับตาแล้วพูดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าแม่ทําลูกก็จะทําตามถ้าแม่สั่งให้ลูกทําแล้วแม่ไปนั่งดูทีวีนี่ลูกก็ไม่ทำหรอกคุณอัจฉราครับ ไปใส่บาตทุกเช้าและบังเอิญไปวัดและเห็นพระรูปที่ใส่บาตทุกเช้าเคี้ยวใบกระทอมโดยที่ลูกถามท่านเพื่อความมั่นใจคือครั้งแรกนึกว่าเคี้ยวหมากแต่พระตอบว่าเคี้ยวใบกระท่อมครับท่านทาไมไม่ถามท้าว่าเเคี้ยวทวําไมล่ะท่านอาจจะมีเหตุผลของท่านก็ได้ไม่ใช่ใบกระท่อม น, นี่เป็นเป็นยาเสพติดหรือเปล่าปัจจุบันยังถือว่าเป็นนะครับอาจารย์ครับแต่ก็เป็นญาได้ใช่ไหมถ้าอยากจะใช้เป็ญยาก็ได้ อันนี้ไม่ทราบไม่ไม่ทราบไม่ตอบไม่ได้ครับคุณเล็กครับถ้าไม่สบายบริกรรมอย่างไรครับเวลาไม่สบายไม่สบายก็ต้องไปหาหมอเลยแต่ถ้าไม่สบายใจจากการไม่สบายของร่างกายก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปทําใจให้สงบใจสงบแล้วใจก็จะไม่ทุกกับความไม่สบายของร่างกายแต่มันมันจะไม่ได้ทําให้ร่างกายหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการบริกรรม การริกรนี้ทำให้ใจหายจากโกเจาความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ในป่วยของร่างกายดารไม่ได้ไปทําให้ร่างกายหา ย, หายเจ็บไข้ในป่วยอยากจะายเจ็บไข้ในป่วยก็ต้องไปหายาหรือใจเย็นๆรอให้มันหายเองคุณเฮียงครับหนูเพิ่งเสียลูกพี่ลูกน้องไปคําว่าอาโหสิกับไม่อโหสิมีผลต่อคนที่รักและคนที่เกลียดอย่างไรบ้างครับ ถ้าเราโอาโหสิให้กับผู้ที่ลงน้าไปแล้วก็หมายความว่าเราไม่ไปติดใจที่จะเอาเรื่องของเราเขาอาจจะมีปัญหาสักตันมาอาจจะเกิดความเกลียดชังก็เลิกจองเวรจองกรรมไปเท่าั้นเองถ้าเรายังไม่เลิกจองเวรจองกรรมทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาเราก็จะโกรธเกลียดเขาขึ้นมาได้คุณอ่อนครับนั่งสมาธิแล้วทุกอย่างมันนิ่งไปหมด ลูกเรียนอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้ยินสักพักเสียงดังเหมือนหูดับแล้วกลับมาครับเป็นยังไงครับก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วว่าเป็นยังไงเลยนั่งเพื่อให้มันสงบสงบมันนานจนสงบได้เดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายกลับมาไม่สงบใหม่อยากใช้มันสงบก็ต้องปฏิบัติต่อไปก็ต้องดูลมต่อไปแล้วพูดโทษต่อไปอยู่เรื่อยๆ คุณันชนกครับทำยังไงให้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ครับก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความอยากอยู่ในใจก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรคุณเฟิร์นครับ การทําทานที่ได้บุญใหญ่ทํำยังไงได้บ้างครับก็ทำมากไงบุญใหญ่ก็เช่นเป็นเส้อผ้ า, ากระถิ่นเนี่ยอ่าเป็นเส้อผ้ า, ากระินต้องใช้มันเนยอะไงเพราะต้องบูรณะซ่อมแามวัดเอ่าค่าใช้ใจ่ายเวลาคนทําเป็นกริ่นนี่มันเป็นเสืาา้อผ้ากหมายควาว่าก็พร้อมที่จะพัดก็พร้อมที่จะเปครับคุณทิติมาครับ ถ้านหนูต้องอยู่ในที่ทํางานที่เพื่อนร่วม ง, งานคอยนินทาใส่ร้ายเจ้านายหูเบาควรวางตัวอย่างไรดีครับเฉยๆทนะ่านวางห้ามเขาไม่ได้วองทุกอย่างว่าเ ป, ป็นอนัตตาไปแล้วห้ามเขาไม่ได้เราก็อยู่ของเราไปทําใจเฉยๆอย่าไปเดือดร้อนกับคํานินทาใส่ร้ายเขาเท่านเองคุณน้ําอ้อยหวานครับนั่งสมาธิก่อนหรือเดินก่อนครับได้ท่านนั่นแนหะแล้วแต่เราจะ อยากจะทำอย่างไห น, นก็ทําทําทําได้อยากจะนั่งก่อนก็ได้อย่ากจะนั่นก่อนก็ได้คุณจันเพนครับเวลานั่งสมาธิพอจังหวะรู้สึกว่านิ่งคือมันเงียบนิ่งลงไปหมดแล้วเกิดความกลัวกลัวว่าจะไม่กลับมาตอนนั้นคืออะไรจะแก้ไขอย่างไรครับก็ตอนนั้นยังไม่ไม่ไม่นิ่งจริงถ้านิ่งจริงแล้วจะไม่มีความกลัวแสดงว่านิ่งแป๊บเดียวแล้วก็กเกลิดความ ความกลัก็โผลขึ้นมานักชังโกลงแสดงว่ายังไม่สงบจริงถ้าสงบจริงแล้วความกลัวก็จะไม่มีจะมีแต่ความสุขก็ทําต่อไปพุโทโธต่อไปแล้วดูลมต่อไปอยังนั่งแบบไม่มีดูไม่มีสติถ้าว่านั่งไม่มีสติมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณแอมครับรูปปั้นเทพถ้าเลิกบูชาแล้วเราควรจะทําอย่างไรกับรูปปั้นครับ ก็ให้คนอื่นไปก็ได้บริจากให้ใครที่เขาอยากได้ไปคุณจั ก, กริดครับผมฝึกสมาธิปล่อยวางความคิดเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาจริงจะทำใจได้หรือเปล่าขอคำแนะนำครับก็ลองไปทดสอบดูสิเช่นความตายว่าเราไม่ไม่ไ ม, ไม่เราปล่อยให้ร่างกายตาย ไ, ได้หรือเปล่าก็ เอาร่างกายไปอยู่ในที่มันอาจจะเกิดภัยต่อร่างกายเช่นไปอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติทาในป่าเปลี่ยวคนเดียวหรือในป่าช้าขณะที่ไหนที่หวาดกลัวแล้วดูวง ใ, ใจเราเนิ่งเฉยไม่ตกความวอนกับความเป็นความตายได้หรือเปล่าอันนีก็เปก า, การพิสูจน์เนี่ยเพราความคิดเฉยเฉมันยังไม่ได้เป็นของแท้ของจริงมันต้องเจอความจริง คุณสาวอุ้มครับอยากรวยขึ้นการสวดมนต์เป็นประจำช่วยให้รวยได้ไหมครับไม่ได้หรอกยันพระก็รวยกันหมดเลยสวดมนต์ <c oughs> ทั้งวัดเนี่ยคุณศศิธรครับบอกถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากอาการป่วยจะวางใจอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ครับก็วางใจให้เป็นอุเบกขาวางใจใเฉยเฉยถ้าไม่เฉยก็ใช้สติทำใจให้เฉยให้ได้ ดูลงหายใจไปพุโทโธไปเป็นการจิตจะนิ่งสงบแล้วใจก็จะวางเฉยได้คุณ P.J. ครับฝึกเอาจิตไว้กับกายบ่อยๆไม่ไปคิดเรื่องอื่นจนเคยชินเวลานั่งสมาธิก็จะเห็นลมเข้าออกชัดเจนใช่ไหมครับใช่คุณ SP ครับ อนัตตาความหมายคืออะไรบ้างบางครั้งก็แปลว่าไม่มีตัวตนบางครั้งก็แปลว่าไม่สามารถไปบังคับปัญชาได้ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายอุบายในการพิจารณาอนัตตาในขันท้าครับก็นี่แหละมันเป็นมันยังเหมืนธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเลยมันเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยเราก็คุมบังคับมันได้ไม่เดินฟ้าอากาศไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกเราไปสั่งมันไม่ได้ฉันได้ขันท้าเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ในจุดหนึ่ง ในในระดับหนึ่งก็ยังสั่งได้อยู่เช่นร่างกายตอนนี้เราสั่งให้มันเดินทําอะไรได้อยู่แตถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิดมันเป็นไม่สบายขึ้นมาเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่สบายให้มันหายก็สั่งไม่ได้เราก็ต้องต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็สั่งได้บางที่เราก็สั่งไม่ได้ คุณปูครับทํายังไงจะจัดการกับความอยากได้ครับอยากได้ของใหม่อยากกินนั่นกินนี่ตลอดเวลาเลยครับก็แทนที่อยากจะได้ก็ให้ให้ไปเสิที่เราอยากจะได้ ข, ของนั้นของนี้แล้ว เ, เราจะายเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เอาเงินนี้ไปทําบุญแทนเราไปความอยากได้ก็มันก็จะไม่มีเพราะไม่มีเงินที่จะไปซื้อของที่เราอยากได้คุณพัชรวัตรครับ หลักของสติทางเจริญภาวนามีลักษณะเช่นลายและต้องปฏิบัติเช่นลายถึงจะเข้าใจและเข้าสติถึงได้ครับก็ให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียวให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วรู้อยู่กับคำบริกามพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ท่าน้ี่คือหลักของสติไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงเวาคตไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ให้คิดหมดนะฮะ ให้รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นร่างกายกําลังเดินก็รู้กำลังเดินกําลาหาบน้ำก็รูกำลังอาบน้ำไปทา่านี้งไม่ให้ไปคิดครับคุณแพทครับถ้าเรามีญาติพี่น้องติดอบายามุขที่ไม่ดีเราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างครับอก็อยู่ที่เขาเขาต้องการให้เราช่วยเขาหรือเปล่าแล้วก็การให้เราช่วยแล้วก็ ก็บอกเขาว่าเขาต้องต้องฝืนใจอย่าไปทําตามสนใจว่าบายบอย่างพวกนี้เป็นเพศเป็นภัยของเขาคุณไลคคพีนครับสมมุติว่ามีคนที่เขาทําฌานไม่ได้จนแก่ก็ทําไม่ได้พระอาจารย์มีคําแนะนํำไหมครับเขาจะทนทุกข์ได้อย่างไรครับก็ยังต้องทาต่อไปแสดงว่าอินทรีย์ก็ยังไม่แก่กล้าพอก็ลองอพยายามฝึกไปเรื่อยๆ าจจะเลอาไปทำต่อชาติหน้าก็ได้เมื่อกลับมาเกิดใหมก่ก็ถ้าเคยทำมามันก็จะติดนิสัยที่จะทำต่อปฏิบัติธรรมแผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวให้เขาได้รับได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะรอรับหรือไม่ตอนนี้ก็ไม่เอาบุญนะเขาต้องการจะมาล้างแค้นเราท้องก็ไม่รับบุญู่แล้ว คุณนิลานครับชะตาชีวิตของมนุษย์ถูกกําหนดมาแล้วใช่หรือไม่ครับคือถ้าเกิดแล้วมันก็ถูกกําหนดแล้ ว, ว่าต้องแก่เจ็บตายทุกคนอันนี้แต่ส่วนยาก่อนจะแก่เจ็บตายนี้จะโรยจะจนจะดีจะชัว่วนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายหลายปัจจัยด้วยกันส่วนอย่งก็อยู่ที่บาปบุญที่เราทำมาถ้าเราเป็นคนทําบาปแล้วก็มักจะไปทําความชั่วต่อถ้าเราทําบุญมาเราก็จะมาทําบุญต่อ อันนี้ก็เป็นเรื่องของขอ ง, ของกรรมไปที่มีส่วนที่จะกำหนดว่าชีวิตของเราจะไปในทิศทางไไปทิศทางที่ดีและไปในทิศทางที่ไม่ดีคุณอาลีครับลูกสาวนั่งสมาธิในห้องพระแล้วมีลูกไฟวนๆแล้วพุ่งเข้ามาตกใจต้องทำให้เขาทำอย่างไรครับไม่ย่าไปสนใจใ ห, ใ, หให้พิจารณาว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจไม่เทีย่ยงเกิดแล้วก็ดับไป อัตตาห้ามันไม่ได้มันจะมาจะไปก็ปล่อยมันมาปล่อยมันไปสาเหตุที่มันมาเราก็เราไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสติถ้าเรานั่งแบบมีสติจะไม่มีเหตุอิการต่างๆเหล่านี้ปรากฏแห้งดอนได้รับเลยดังนั้นอย่านั่งเฉยๆให้นั่งด้วยการมีสติให้มีพุโทโธหยุดทุกขณะหรือให้มีการดูลมหายใจทุกขณะคุณอัจชาลาครับ ลูกได้บุญหรือไม่ครับที่ใส่บาทให้พระที่เคี้ยวไปกระท่อมตัวที่พระอ้างว่าเพื่อรักษาความดันได้เห็นพระอีกรูปที่ใส่บาทเพราะหมาขายพระในวัด น, นี้ทําให้ลูกคางแขงใจเกี่ยวกับบุญที่ทําครับบุญนี่เราได้ไม่ว่าเราจะทำกับใครแม้กระทั่งทากับแมวกับสุนัขเราก็ได้บุญเหมือนกันมันไม่เกี่ยวกับผู้รับมันเกี่ยวกับผู้ให้ผู้ให้เสียได้เสียสละ ได้ละความห่วงความตนันในทรับสมบัติเงินทองของตนไปอันนี้คือบุญที่เกิดจากการให้ส่วนผู้รับจะถ้าไปถ่ายนี้ไม่มันไม่มันไม่ไมัน ไ, ไม่ได้เกี่ยวกับบุญที่เราทำคุณตังครับใส่บาทพระทุกวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดอย่างนี้ดีไหมครับดีทำใส่มากกว่านั้นก็ได้ยิ่งได้ยิ่งมากยิ่งดี คุณจงดีครับถูกมิจฉาชีพโกงเงินเสียดายทุกใจถึงแม้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ต้องทํางานหาเงินใหม่คิดวนเวียนแต่เรื่องเดิมจะฝึกใจตัวเองอย่างไรครับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับถ้าเราต้องโทษตัว เ, เองว่าเราโง่ไม่ดีๆให้เขามาเอาเงินของเราไปได้อย่างไรถ้าเราฉลาดแล้วก็คงยังไม่ถูกข้อหลอกไม่ถูกเขาโกงเงินเราไปได้ดังนั้นเราเรามาใช้อนี้เป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปแล้วต้องมีคาวามระมัดระวังมากขึ้น ให้เชื่อคำโบราณที่เขาสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายเอามาเป็นบทเรียนสอนใจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อไปแล้วก็อาจจะมีความระมัดร ะ, ระวังมากขึ้นอโอกาสที่จะถูกเขาหลอ ก, ก็อาจจะน้อยลงถ้าไม่ต้องการให้เขาหลอกอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาก็จะมาข อ, อยืมเนะงินยังไงเอาภาพมาอมไว้ในป่าแล้วพูดก็ไม่ต้องมาเชื่อเขา เราเชื่อเขาว่าต่อเมื่อเขามีหลักทรัพย์มามาเป็นตัวประกันนะถ้าอยากใช้ใครยืเงินไปเ้าขอให้มีหลักทรัพย์มาถ้าเกิดเขาไม่สามารถใช้เงินที่เขายืมไปได้แล้วก็อย่างนั้นก็มีหลักทรัพย์ไว้เป็นอเป็นสิ่งทดแทนง น, นอย่าอย่าเชื่อด้วยว่าจะเป็นการขายถ้าไม่อยากจะถูกเขาโกงต้องมีอะไรเป็นเป็นข อ, ของที่จะทําให้เขาต้องไม่โกงเรา เงินธนาคาร<ช>เขาจะอยู่ได้ไงใช่ไหมคุณหมอใช่เวลาไปกู้เงินธนาคารนี่ก็ต้องดูทรัพย์สินของการเรา ม, มีหลักทรัพย์หรือเปล่าคำประกันหรือ่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่ปล่อยหรอกใช่ไหม ค, คุณดวงใจถามว่าภาวนากับอธิษฐานแตกต่างกันอย่างไรครับการภาวนาก็คือการปฏิบัติจิตพัฒนาจิตใจให้มีความสงบให้มีความสุขจากการเจริญสติ หือการเจริญปัญญาเรียกว่าภาวนาอธิษฐานนี้มันมีความความหมายสองความหมายด้วยมันความหมายเดิมของทางศาสนาได้หมายถึงการตั้งใจจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวันนี้ตั้งใจจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เรียกว่าอธิษฐานแต่สมัยนี้คาว่าอธิษฐานมันถูกใช้เป็นในทางอีกความหมายหนึ่งของทางโลกก็คืออธิษฐานเพื่อขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ส่วนใหญ่คน คนเรามักจะใช้คํานี้กันมาก็าขออธิษฐานชวนมนต์อธิษฐานขอให้ได้ไปนิพพานขอให้ได้สิ่งที่ต้องการอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในหลักของคําสอนของพระพุทธศาสนาเพระาะศาสนาสอนว่าเราขอไม่ได้สิ่งตา่างๆเราต้องทําเราต้องสร้างเหตุขึ้นมาเมื่อมีเหตุแล้วผล ม, มันจะตามมาแต่การขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เกิดผลที่สิ่งที่เราต้องการตามมาได้ คุณไตพบครับการที่เราห้อยเหรียญรูปเหมือนหรือวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเชื่อ ว, ว่าท่านได้เมตตาอธิษฐานพลังจิตบรรจุไว้เพื่อเป็นมงคลและเราได้ระลึกถึงคุณงามความดีปฏิปทาอันดีงามของท่านแบบนี้จะเป็นการปิดกั้นการปฏิบัติวัดผลหรือเปล่าครับคือวัตถุมงคล น, นี้ความจริงมันไม่มีอ น, นิสองส์อะไรต่อการปฏิบัติของเราเลยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่า ถ้าเรามีวัตถุมงคลแล้วห้อยแล้วทําให้เราเคิดถึงพระพุะทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงพระพุะทธกุณรธรรมกุณสังกุณก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเราถ้ามีพระพุทธกุณพระธรรมกุณทรสังกุณทร้นเราก็จะคิดดีพูดดีทําดีนะฮถ้าเราไม่ต้องมีวัตถุมงคลแล้วเราคิดดีพูดดีทดําดีเราก็ไม่ต้องมีวัตถุมงคลก็ได้ จากคุณกิตตี้ครับหนูนั่งสมาธิแล้วเหมือนเห็นสีขาวๆแสงนิดๆไม่รู้เจอจริงหรือคิดไปเองครับเราไม่ต้องไปสนใจไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการเวลานั่งสมาธิผลรโยงการนั่งสมาธิคือเราต้องการความสงบความว่างความเย็นความสบายถ้ายังไม่ได้ถึงจุดนั้นก็อย่าไปสนใจมีอะไรปรากฏขึ้นมาเรารับนู่นก็อยากไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับการพรณาดูลมหายใจไป คุณอรารยาครับฉีดยากันยุงบาปไหมครับถ้าไม่ไปทําให้ยุงตายก็ไม่บาปถ้าฉีดกันให้มันมีกลิ่นแล้วมันไม่กล้าเข้ามาก็ไม่บาปแต่ถ้าไปฉีดในขณะที่ตัวมันก็ไปฉีด ท, ที่ตัวมันแล้วทำให้มันตายนีก็บาปการบาปก็คือการฆ่าแต่ถ้าไม่ได้ฆาก็ไม่บาปพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเจตนาฆ่าแต่ไม่สําเร็จบาปไหมครับก็ยังไม่สําเร็จก็ยังไม่บาป คุณสมศรีครับเพิ่งตรวจพบโควิดรอบสองวันศุกร์อาการเยอะกว่ารอบแรกเป็นไข้หนาวสัน่นใจเจ็บคอปวดเนื้อตัวแน่นจมูกพอเจอหัวข้อทำว่าว่าแล้วมันก็ผ่านไปรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะทุกน้อยลงสามวันแล้วอาการดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จะหายไปครับขอบพระคุณพระเจ้าก็ดีทำให้เราปล่อยวางไนดะ้ยอมรับความเป็นจริงว่ม้แต่โรภัยก็เจ็บมันก็ไม่เที่ยง ไม่แต่ความตายมันก็ไม่มันก็ต้องผ่านไปตายแล้วก็ผ่านไปล้วก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบการมีร่างกายกับการไม่มีร่างกายนี้การไม่มีร่างกายสบายกว่านะเราไม่ต้องมากั aya, งวลกับเรื่องของร่างกายไม่ต้องมาคอยเลี้ยงคอยหาอาหารให้มันกินไม่ต้องมาหวาดกลัวกับภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายคนที่ตายไปแล้วน่าจะสบายกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณจี๊ดครับเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามีแต่ลาตัวตั้งอยู่ไม่มีแขนไม่มีขาเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีสติงเราไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจมันก็ปล่อยให้ใจปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเรางั้นอย่าไปสนใจอย่างที่พูดว่านั่งสมาธิให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นคําบริการพุทโธก็ได้จะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่กับอาการเหล่านี้ รับประกันได้เราไม่มีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้คุณลีครับอยากขออุบายเอาชนะกิเลสจากพระอาจารย์ครับว่าต้องพยายามหยุดมันทุกครั้งที่เกิดความโลภก็ต้องไม่ทําตามความโลภทุกครั้งที่เกิดความโกรธก็ต้องดับความโกรธนะโดยการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมเวลาเห็นอะไรอยากได้แล้วก็เห็นให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นทุกข์ สิ่งที่เราได้มันทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันอาจจะอยู่กับเราไม่นานเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์คุณเอนนี่ครับทานทําให้มีทรัพย์ศีลทาให้รูปร่างกายสมประกอบมีความงามภาวนาทําให้เกิดปัญญาถูกต้องไหมครับก็เรื่องศีลนี้มันทําให้เรามันก็ ทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์มากกว่าเห็นบอกว่าความสวยงาม น, นี่เป็นกิดจากการทําบุญทําทานมากกว่าแต่การรักษาศีลทําให้เรามีร่างกายที่สมประกอบไม่พิการพิการมีอายุยืนยาวนานอาจจะไม่สวยงามก็ได้เพราะไม่ได้ทําบุญคนที่ทําบุญนี่จะมีจิตใจที่นิรตาล่อกู้มีจิตใจที่สวยงาม ความสวยงามของจิตใจนี่มันจะมีสม่งผลให้ทําให้ร่างกายมีความสวยงามตามไปทําความสวยงามของใจงนี่เป็นความเข้าใจของเรานะส่งนี้ก็มีส่วนที่จะทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ปิปกรไม่กาแต่จะให้สวยให้งามไม่ต้องเกิดจากการทำบุญทำทานคุณไลโคพีนครับคณิกาสมาธิ พระอาจารย์คิดว่าเกิดขึ้นได้ตอนไหนบ้างครับในอินเทอร์เน็ตบางคนเขาโพสตประมาณว่าอ่านหนังสือก็เกิดคณิกะได้พระอาจารย์คิดอย่างไรครับอันนี้มันก็เป็นกรณีแต่ละกรณีคนบางคนอาจจะมีมีสติมากอยู่แล้วแล้วพอได้มาอยู่ในสภาพที่ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้มันก็ลบลงได้ทันทีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นเด็กตอนที่พระองค์ถูกปล่อยให้ประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้ต้นไม้ เพราะว่าวันนั้นพวกบริษัทบริวารที่คอยรับใช้ต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นเลยปล่อยให้เรานั่งอยู่ตามลำพังเพอจิตของท่านพอเห็นว่ารไม่มีอะไรมากระตุ้นให้จิตของท่านคิดปรุงแต่งจิตก็หยุดคิดปรุงแต่งมันก็สงบได้โดยอัตโนมัติขึ้นมาอันนี้มันขึ้นอยู่กับบารมีเก่าที่ได้เคยฝึกได้ฝึกสติมาแล้วแต่ถ้าเรานั่งคนเดียวแล้วมันไม่ไม่สงบ ความรู้สึกเหงาขึ้นมากับฟุ้งซ่านขึ้นมานี่มันแสดงว่าเราไม่มีบาลมีเก่า <Okay. S 1> งั้นบางคนไอยู่คนเดียวนี่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมานเกิดความเหงาขึ้นมาหรือเกิดความกลัวขึ้นมาก็ได้ <Okay. S 1> อย่างนี้แล้วแต่ภาวะจิตของแต่ละคนว่าเป็นแบบไหนงั้นบางคนอ่านหนังสือธรรมะแล้วได้ข้อโดนใจขึ้นมามันก็อาจจะทําจิตให้สงบขึ้นมาไนดะ้ทันทีก็ได้ในขณะนั้นโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องพูดโท เป็นไปได้คุณผู้หญิงปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นอยู่วัดหรืออยู่บ้านดีกว่ากันครับก็อยู่ที่วัดที่บ้านวัดที่ไหนสงบกว่ากันบนะางงทีไปอยู่วัดที่ไม่สงบมันก็ซื้ง อ, อยู่ที่บ้านที่สงบกว่าไปได้ยังไม่ได้อยู่ที่คําว่าบ้านหรือวัดที่วัดสงบแล้วไม่สงบดีกว่าวิเวกแล้วไม่วิเวก คุณสลาวุฒิครับเป็นทุกข์เพราะความคิดบางทีคิดมากๆไม่มีสติเลยครับทําอย่างไรจึงจะออกจากความคิดที่ทําให้เป็นทุกข์ได้ครับต้องต้องขยันบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะเวลาไม่สบายเรากต้องกินยาขยันกินยาบ่อยๆตยามเยอะกว่ า, าโรคภายในแก้เจ็บ ก, ก็จะหยุดเองเวลาใจเราไม่สบายนี่เราต้องกินยาธรรมะก็คือสติการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็จะไปย า, ยาย้ำความชินต่างๆได้ คุณวันด er ีคร mm ับเป็นซึมเศร้าพยายามควบคุมตัวเองจะทําอย่างไรดีครับก็พยายามฝึกสมาธิให้จิตสงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไปแล้วจิตสงบใจก็จะเบิกบานขึ้นมาผ่องใสมีความสุขความทุกข์ความซึมเศร้ามันเกิดจากความอยากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เราไม่ได้ดังใจอยากใจก็เลยเศร้าใจก็เลยซึมเราต้องหยุดความอยากต่างๆด้วยการทําใจให้สงบ ในการจริญสติพุโทโธพุโทโธไปคุณสัมพันธ์ครับผมมีความรู้สึกเบื่อทางโลกเพราเห็นญาติพี่น้องคนรู้จักตายไปทีละคนจึงรู้สึกอยากบวชแต่ยังติดภาระลูกและภรรยาผมควรทําอย่างไรครับก็ต้องอยู่ต่อไปถ้ายังติดภาระอยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปบวชทางใจไปก็ก็ไปบวชชั่วคราววันใหนมีเวลาว่างก็ขอลาไป ไปปฏิบัติธรรมที่มราเตรียมตัวไว้ก่อนเราให้ภาระเอาโน้ตไวปัญญาหมดไปแล้วก็ค่อยไปบวชต่อได้คุณเนตนะภาครับบอกว่าค้าขายใบกระท่อมบาปมากไหมครับประย่างที่พูดเนี่ยถ้ามันเป็นยารักษาโรคก็ไม่บาปถ้าเป็นยาเสพติดมันก็เป็นอบา ย, ยมุกเป็นเวลาชีที่ไม่โกงกระทําแต่ยังไม่บาปถ้าเราไม่เสพเอง คุณครองสติครับใจยังมีความอยากได้หน้าอยากได้รับคําชื่นชมอยากได้รางวัลอยากมีชื่อเสียงเราควรปฏิบัติอย่างไรให้ใจหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ครับเราพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยมเนี่ยเจริญมีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีสารเสื่อมก็ต้องมีนิทานมีสุขก็ต้องมีทุกมีลาภก็ต้องมีการเสื่อมลาภมียศก็ต้องมีการเสื่อมยศเป็นธรรมดา พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็อยากจะทำให้เราเบื่อหน่ายได้คุณบิวตี้ครับใส่ข้าวพระพุธในบ้านทุกวันได้รับผลบุญจริงไหมครับไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้กับใครเลยพระพุทธท่านเป็นวัตถุทําไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะได้บุญเอาข้าวไปให้พ่อแม่กินดีกว่าได้บุญเยอะ เล่งดูพ่อแม่เียเล่่นดูพ่อพ่อทรลูกอันนี้คุณหมอฤทธิเดชเป็นรุ่ น, น้องผมครับอาจารย์อยู่ที่ชนบุรีครับเป็นหมอสมองเหมือนกันครับอาจารย์บอกว่าขอพระอาจารย์แนะนำวิธีคิดให้เมตตาตัวเองเวลาทำผิดพลาดแล้วชอบคิดเสียใจอยากแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาครับก็มันเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปเราะทําทผิดเองใช้ใจการผิดพลาดนี้มันเป็นบทเรียนว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราทุกคนทําอะไรมันก็ต้องมีพลาดบ้างพลาดบ้างสี่เท้ายังรู้พลาดนักป่บบาวยังรู้พลาดแล้วเราเป็นปุะชชนธรรมดาเรื่องมเราจะไม่ผิดพลาดบ้างอย่าไปลงโทษตัวเองเอามาเตือนสติมาสอนใจว่าการผิดพลาดของเราีมันอาจจะเกิดจากความไม่ไม่มีสติของเราให้เราพยายามฝึกสติทําอะไรให้เรามีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแต่การจะมาโทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ คุณเคเครับทำบุญอะไรถึงจะได้บวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับก็ถือศีลนบบักบวชไงถือศีลแปดขนไปมันก็จะได้ไปบวชได้คุณอาโรนครับถ้าเรารู้สึกว่าแม่ทําให้เราทุกข์ใจตลอดเวลานี้เราบาปมากไหมครับไม่บาปหรอกครแต่คำาชื่อนั้นต้องเป็นความคิดที่ไม่ถูก เ, รเพราะว่าความทุกข์ใจของเราไม่ได้เกิดจากแม่ เกิดจากความอยากของเราอยากให้แม่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เแล้วดีกับเราหรือไม่อะไรอย่างนี้พอเขาไม่ดีกับเราเราก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เราต้องมาโทษตัวเราเองความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราไม่ใด้เกิดจากคนอื่นคุณนิกครับทําอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านครับ มีสติมากมานต้องฝึกสติมากมากสามารถบริกรรมพุทธโธได้เป็นชั่วโมงนี่ก็จะนั่งได้นานคุณเต้ายุ้ยครับมีวิธีทําให้หายง่วงสับังกเวลานั่งสมาธิไหมครับทางที่กินกาแฟกันไว้แล้วความรู้สึกเหมือนหลับในครับก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก่อนเดินไปก่อนแล้วเสร็จจะหายง่วงกกลับไปนั่งใหม่หรือเปลี่ยนที่ไปนั่งที่มีมีสิ่งที่น่ากลัวไปนั่งตามปา่าช้า มันก็จะไม่มองถ้าไปไม่ได้ก็ลุกขมาเดหรือว่าลดลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงผ่อนอาหารหรืออดอาหารเลยก็ได้มันก็จะทําให้ไม่รู้คุณสายลมครับการที่เราไปกราบไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆนี้เราได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนา บุณช้างครับบุญกุศลด้วยวิธีการปลดน้ําปลดน้ํามีในคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมครับไม่มีแร้วมีการอุทิศบุญอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ําใช้ใช้ความคิดเนี่ยเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วก็ใช้ความคิดต่อได้ ว, ว่าขออนุทิศขออุทิศส่วนบุญให้กับผู้นั้นผู้นี้ไปก็จบละไม่ต้องใช้น้ํา คุณพักครับอยากทราบวิธีการเตรียมตัวตายตายอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับก็ยิ่งแบบคนตายยิ่งแบบคนตายคนตายไม่ต้องการอะไรไม่ใช่ไะไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นการด่าก็ไม่เดือดร้อนใคจะชมก็ไม่ยินใจเฉยๆไปปลกใจให้เฉยๆได้แล้วก็จะตายอย่างสลายอย่างสบายอยู่ก็อยู่อย่างสบายไม่ทุกข์กับอะไรคุณละลินครับ อยากนิพพานครับต้องเริ่มจากอะไรคนเริ่มต้นจากศูนย์เลยครับก็ทานศีลภาวนาเนี่ยเริ่มทําบุญทําทานให้เป็นทิศสัยทํามากขึ้นไปตามลําดับจนถึงทําได้ทําได้หมดเลยถ้าทำบุญทําทานนั้นหมดก็จะไปบวชได้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อต้นก่อนก่อนที่จะไปบวชก็ฝึกไว้ก่อน ทำทานแล้วก็รักษาศีลห้างารักษาศีาลแบมากแล้วก็มาฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็ประเจรงนปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปคุณสมพร้อมครับสงสัยว่าทำไมาบางคนทำชั่วไว้มากๆแต่ทำไมา ย, ยังสุขสบายร่ำรวยไม่ไม่ได้รับผลกรรมช่วงเขาเลยครับเป็นเพราะเหตุใดครับ อพราะเวลาของกรรมว่า ย, ยังมาไม่ถึงนั่นเองคุณยุย้ยครับนั่งสมาธิแล้วเห็นเรื่องราวเป็นฉากๆหลายเรื่องอันนี้คืออะไรครับนั่งแบบไม่มีสติไงถ้านั่งไม่ีสติเราจะไม่มีเรื่องราวปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้คุณการชตาครับอุเบกขาจะช่วยให้เรามีความกล้าหาญขึ้นได้ไหมคะ กล้าในสิ่งที่กลัวเช่นกลัวผีกลัวอันตรายกลัวตายเป็นต้นครับอ๋อถ้าเป็นมืเบรคขาจริงจะไม่กลัวอะไรนี่ยจริงจะเน้น ใ, ใคุณวณิดาครับยังวันไหวกับคําตําหนิคําว่ากล่าวรู้สึกน้อยใจเสียใจทําอย่างไรใหไม่ให้วันไหวครับก็เนี่ยต้องฝึกสติให้มือเบรคขามากๆทำมือเบรคขามากๆใจจะไม่มีความลักชางกลัวลง คุณสุดารัตน์ครับบอกว่าตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งครับทํายังไงตอนแย่ถึงจะไม่เจ็บปวดครับคือความเจ็บปวดทางร่างกายเราห้ามันไม่ได้เราก็ยอมรับความจริงอันนี้แต่สิ่งที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ใจก็คือการยอมรับความเจ็บปวดของร่างกายแล้วความทุกข์ใจทรมานใจจะไม่มีความทรมานใจนี้มันแรงค่ามความเจ็บปวดของทางร่างกาย ความเจ็บปวดของร่างกายอาจจะเป็นร้อยละสิบเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานใจที่เป็นร้อยละเก้าสิบเนื่องถ้าเรายอมรับความเจ็บปวดของร่างกายนะั้นแม้จะมีความอยากให้มันหายใจเรานิ่งเฉยวางเฉยได้ใจเราจะไม่มีความทุกข์ทรมานใจเลยแล้วความเจ็บปวดของร่างกายที่เป็นเพียงร้อยละสินี้ก็จะไม่มีไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเราแต่อย่างใดใจเราจะอยู่กับความเจ็บปวดของทางร่างกายไนดะ้อย่างสบาย ทำพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้ใจนิ่งเฉยให้ได้หยุดความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บให้ได้้ใจจะไม่ทุกข์ใจจะอยู่อย่างสุขสบายคุณหทัยชนก ค, ครับพระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรอย่างไรบ้างครับเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็คือเราทำทำกรรมกระขายไว้เขาเขาก็จะต้องมามาแล้ว มันจองเวรจองกลับกับเรานั่นเอง เ, เวลาเราไปทําร้ายพู้อื่นเขาก็อยากจะมาทําร้ายเราถ้าเราไม่ทําร้ายพู้อื่เขาก็ไม่มาทาาําร้ายเราพระเจ้าบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวลาใครก็ทําร้ายเราเราอย่าไปทําร้ายกลับเขาแล้วเขาก็จะไม่กลับมาทําร้ายเราอีกแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไปตอบโต้เขาเดี๋ยวเขากลับมาทําร้ายเราอีก ถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับใครก็อยากไปจ อ, เจ อ, องเวรจองกรรมกันให้อภัยกันเวลาเขาทำลายให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็ให้อภัย เ, เขาไปแล้วการเวรกรรมกันจะไม่มีเจ้า ก, กรรมลยเวรก็จะไม่มีกับเราต่อไปคุณเก่งบอกว่าฟังคำตอบของพระอาจารย์แล้วหายป่วยใจสงบเย็นเลยครับกับทา้าวพระอาจารย์ครับคุณนุกนิก บอกว่อยากมีสติต้องทําอย่างไรครับก็ท่องพุโทโธไปทั้งวันนะนึ่มตามขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปในใจไม่ว่ากาำลังทําอะไรอยูก็ให้มีพุโทโธอยู่กําลับอยู่ตลอดเวลาต่อไปก็จะมีสติใจก็จะอยู่กับนื้กับตัวไม่ไปลอยไปลอยมากับเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้คุณเฟื่องครับลูกดือ้อพูดไม่ฟังต้องทําใจใช่ไหมครับอาจารย์ ถ้าเราสอนก็แล้วห้ามก็แล้วตาเขาไม่เชื่อก็ทำอะไรไม่ได้ต้องลทําใจอย่าไปทุกข์กับเขาคุณอิสรีครับจิตของคนหลังจากฆ่าตัวตายสําเร็จจะเป็นอย่างไรครับก <c oughs> <c oughs> ็ทุกข์กัสิเวลาตายเวลาจะตายนี่มันทุกข์จะตายไปยิ่งเวลาคิดจะฆ่าตัวตายนี่มันทุกข์มากคุณธนวัตรครับ ถ้าคนป่วยใกล้าตายคนปกติก็เตรียมนำไปใช้ได้ควรทำใจและฝึกอย่างไรครับก็ทำใจเฉยๆทำอะไรไม่นดาต้องทำใจเฉยๆปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันคุณใบหยกครับบอกว่าบางวันลูกก็นั่งสมาธิไม่รวมเลยครับแต่ลูกสังเกตสภาวะอารมณ์ระหว่างวันแล้วเป็นปกติเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เอาอารมณ์ลงได้แต่ลูกอยากนั่งให้รวมในทุกวัน เพราะการวางเฉยจะทำได้ดีกว่าลูกควรวางใจอย่างไรครับถ้าถ้ามันสงบไม่ได้ก็อยอมรับกับความเป็นจริงนั้นไปว่าวันนี้ทำใจให้สงบไปได้สาเหตุก็คือส่วนใหญ่มันเกิดจากการไม่มีสตินั่นเองถ้าอยากจะให้มันสงบมากๆเราก็ต้องฝึกสติให้มากๆท่านนันเองคุณแพรวครับเวลาที่นั่งแล้วจิตรวมแต่ไม่สามารถทรงสติได้นาน <sm ansen> มีคำแนะนำไหมครับก็ต <K> ้องฝึกสติให้มากขึ้นตอนนี้เราสติเรายังไม่น้อยอยู่สงบได้ไม่ดานพยายามฝึกสติให้มากขึ้นบ่อยขึ้นคุณก้าวเดินต่อไปครับเรียนถามอาจารย์ข้อที่หนึ่งการเจริญสติในวันที่ว่างเราต้องเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิเพียงสองอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อยู่ในอิยาีบทดานเขาให้มีสติในทุกิเิยาบท แล้วจะเดินจะนักจะยืนหรือจะนอนก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาการถูกหวยบ่อยๆเกิดจากการทําบุญอะไรมาครับไม่ทราบเหมือนกันนะทราบพอดีจะได้ครับคุณปอมเม้ครับ เมื่อเรารู้ว่าใบโลกใบนี้เป็นโลกของความทุกข์และปัญหาแต่ทําไมจิตใจความคิดเหมือนยังยึดติดสิ่งล่อใจอะไรบางอย่างทำให้เราไม่สามารถพาตัวเองสู่ทางธรรมสมถะทางสุภนิพานต้องแก้ไขอย่างไรครับเพราะเรามองไม่เห็นทุกในโลกนี้เรากำลังมองโลกนี้กับเป็นไปด้วยความสุขเรามองไม่เห็นว่าความสุขที่เราเห็นของโลกนี้มันมีความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญได้มีเสื่อมได้มีหมดได้ พอมันเสริอมมันหมดมันก็เลยทําให้เราทุกข์กันอันนี้ฉากหลังเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ฉากหน้าเห็นแต่ความสุขแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์เพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้าเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันเป็นของไม่เที่ยงความสุขที่ได้จากมันก็เป็นเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องมีวันหมดไปเปลี่ยนไปเมื่อเราเห็นเป็นเป็นอย่างนั้นเราก็จะเริ่มเห็นความทุกข์ของโลกนี้ เมอเห็นความทุกข์ของโลานี้เราก็จะไม่อยากจะมาอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปคุณกลองพระครับเคยแอบหยิบเงินแม่หนึ่งบาทสมัยเด็กมาบอกแม่บอกแม่บอกไม่เป็นไรแต่ใจไม่เคยลืมเลยจะทําอย่างไรดีครับก็อยากไปทําอีกยพยายามว่าการกระทําที่ไม่ดีมันก็ดีอย่างมันก็เป็นการเตือนใจสอนใจว่าทําบาปแล้วมันก็จะทําให้เราไม่สบายใจ ถ้าไม่อยากไม่สบายใจก็อย่าไปทําบาปไปต่อไปคุณพรียตี้ครับมีผู้รู้อุเบกขารู้กายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราเกิดดับจิตต้องดูอย่างไรครับจิตก็ดูอารมณ์จิตในจิตก็มีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมืนกับเวทนาบางทีก็อารมณ์ก็สดใสเบิกบานบางทีก็เศร้าหมอง ก็นู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันคุณวงจันทร์ครับจากการตอบของพระอาจารย์การสอนให้ดูจิตจึงไม่น่าจะสามารถเห็นได้จริงต้องดูกายวทนาก่อนใช่ไหมครับใช่เพราะว่าการจะดูจิตนี่จิตจะต้องเป็นสติมากคุณชนะตาครับ ท้อกับการทําดีทําดีแต่ยังเจอปัญหายังเจอเรื่องไม่ดีควรทําอย่างไรครับเพราะเราไม่เข้าใจผลที่เกิดจากการทําความดีเราท้อเพราะว่าเราทําความดีแล้วเราไม่ได้รับการยกย่องแลอการยอมรับของผู้อื่นซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่จะเกิดเกิดขึ้นต่อการทําความดีการทําความดีนี้มันทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจภูมิใจอันนี้ต่างหากที่เป็นผลที่เกิดจากการทําความดี ยิ่งถ้าเราเมาที่ผลตรงนี้แล้วเราก็จะไม่ท้อเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อหวังผลตอบแทนจากใครเราต้องการทําให้ใจเรามีความสุขมีความภูมิใจอันนี้ด่งหาที่เราต้องการต้องมีที่ผลที่ที่เป็นเป็นผลของการทําความดีก็คือความสุขใจเอ็นใจสบายใจ คุณสาครับคนที่บอกว่าเขาไม่ได้ถือศีลห้าแต่เวลาเขาจะทําหรือ <tense> พ <Kollege. Hayır. S 2> ูดอะไรเขาคิดก <neither> ่อนว่าทําแล้วเป็นการเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้ก็เป็นการถือศีลแบบหนึ่งใช่หรือเปล่าครับก็จะว่าก็ถูกต้องว่าเป็นการใช้ปัญญาใช่เหตุผลว่าการกระทําของเรามันมีผลตามมาทําอย่างนี้ก็อาจจะเกิดความทุกข์ใจทําอย่างนี้ก็อาจจะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้ารู้เองก็เรียกว่ามีปัญญา มีปัญญามันก็ยัสามารถควบคุมใจให้อยู่ในศีลและธรรมได้เพราะฉะนั้นว่าการทํำบาปนี้มันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจก็จะไม่ทําก็จะไม่ทํำบาปก็จะมีศีงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเทิงศีลคําถามสุดท้ายครับ อ, อาจารย์ครับคุณสิริชัยครับฟังทำพระอาจารย์นาคุติตอนนั่งลงทําสมาธิเพิ่งหลับตามีอาการเย็นสงบเหมือนตอนที่นั่งสมาธิที่บ้านนานๆ เป็นเพราะสถานที่หรือไม่ครับมันก็มีส่วนนะเพราะเวลาที่เราไปนั่งที่สถานที่ที่มีคนอื่นเขานั่งด้วยกันมันก็จะทําให้เราอาจจะมีความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรานั่งอยู่บ้านบางทีเราก็อาจจะรู้สึกถ้าเบื่อไม่อยากจะนั่งเราก็อาจจะลิกนั่งก็ได้แต่ถ้าเราไปนั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับคนอื่นเขาถ้าคนอื่นก็ยังนั่งอยู่เราก็ต้องนั่งเราก็ต้องทนนั่งต่อไป โอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีโอ้มีคนฟังทำเยอะเลยครับในเฟซหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนนะครับในยูเจ็ดร้อยในคลับเก้าครับใน t ิ k ต o อกเจ็ดร้อยสามสิบแปดรวมวันนี้คนฟังทำด้วยกันสองพันห้าร้อยเก้าสิบสามคนครับอาจารย์ครับประมาณห้าร้อยเฮ้ยทิเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยสารสิแปดครับต็เนี้่ตอนที่สี่ร้อยเนื้อเร่มพมเป็นเจ็ด0้อยเจ็ดร้อยครับอาจารย์ครับก็ดี ยินดีที่มีคนมาได้ยินได้ฟังกันว่าสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการคนที่ต้องการให้คนที่นวันได้ยินได้ฟังได้เกิดประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังเพื่อนั้นนามาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไป ก, ก็ขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเชอญ สุก็คิดว่าพอสมควรใจเวลาถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ค